การนั่งสมาธิก็เพื่อจิตของเรารวมสงบเพราะความสงบนั้นเป็นที่ปะชุมรวมของความสุขทั้งหลายความสุขเกิดขึ้นจากการกิริยาการกระทาในกิริยาวัตถุที่จัดโดยย่อๆมีสามอย่าง คือทานการบริจาค ก, การเสียสละวัตถุต่างๆส่วนเป็นอมิตรและการบริจาคสงเคราะห์ในทางธรรมเรียกว่าธรรมทานนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความสุข ท่านจึงได้จัดว่าเป็นบุญเป็นกิริยาที่ให้เกิดบุญอาศัยวัตถุที่มีอยู่ถ้าหากว่าเราวัตถุมีอยู่จิตใจไม่เป็นบุญเป็นกุศลแล้ววัตถุเหล่านั้นก็หาได้สําเร็จประโยชน์ในทางบุญกุศลไม่เราใช่ไปหมดไปใช่ไปหมดไป ไม่ใช่หมดแต่วัตถุสิ่งที่เราเอามาบำรุงมันก็ชำรุสดสุดโทรมไปด้วยเพราะฉะนั้นความสุขที่เราได้จากการบำรุงจากอามิตรเหล่านั้นจึงเป็นความสุขที่ไม่มั่นคงเป็นความสุขชั่วคราว จำเป็นเจเต้าทํารรบุญกิริยาวัตถุเรียกว่ารักษาศีล น, นี่ก็เป็นอริยทรัพย์อริยสมบัติเป็นความสุขที่มีในตัวของเราไม่ต้องไปขอใครไม่เกี่ยวเนื่องโดยใครที่ให้ รักษาศีลคือรักษากายของเราที่เรามีอยู่แล้วเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เรียกเราได้มนุษย์สมบัติเราได้แล้วมนุษย์สมบัติหน้าที่ของเราก็หน้าที่คุ้มครองรักษาใช้สมบัติของเรานี้ให้ได้ผลกำไร ให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตัวของเราถ้าหากว่าเราใช้ไม่เป็นมันก็ได้ตรงกันข้ามขาดทุนไม่ได้ความสุขไม่ได้ความเจริญเราใช้มนุษย์มนุษย์สมบัติไม่เป็นคือตัวของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสมบัติอย่างสาคัญยิ่ง พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญที่ได้มนุษย์สมบัติอันนี้ที่เรียกว่ากิจชโอมนุษย์สัพเรลาภการที่จะได้เป็นมนุษย์นี่เป็นของที่ได้โดยยากอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องระลึกอยู่เสมอ ต้ารู้สึกตัวอยู่เสมอที่เราได้เป็นมนุษย์ได้อัตภาพนี้ไม่ว่าเป็นผู้หญิงไม่ว่าเป็นผู้ชายก็ล้วนเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นสมบัติอย่างสูงสามารถจะใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองคำที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ได้โดยยากนั้นเป็นการ อาศัยปัญญาตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระปัญญายานสามารถทะลึกได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนแต่ชาติก่อนหนหลังก็ดีที่มีชีวิตเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรก็ดีพระองค์สามารถมีอย่างรู้ตามรู้ได้ หรือเคลื่อนจากมนุษย์เข้าสู่คันอย่ในคันอย่ในท้องพระองค์ก็สามารถตามะระลึกกรู้ได้เห็นได้ตลอดประสูติออกมาเพราะฉะนั้นท่องคำสอนขององค์สมเด็จพระสมาแั่พพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์เกิดได้โดยยากกว่าจักอื่นๆ พอปฏิสนธิคันขเข้าสู่คันของมันดามันดามีสุขภาพไม่ดีบางทีตัวร้อนคันก็ตกไปด้วยสายความร้อนหรือเย็นมากก็คันก็ไม่ติดตั้งตัวไม่ได้ กว่าจะตั้งตัวได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายงายสิ่งที่ยากเหล่านั้นเราไดผา้ผ่านทนมาแล้วโดวยเราไม่รู้สึกจำไม่ได้ถ้าทุกคนระลึกได้จำได้แล้วเราจะรู้สึกว่า มีความดีใจมีความพอใจในการที่เราได้ผ่านพ้นอุปสรรคและความลำบากมาด้วยอาศัยบุญกุศลคุ้มครองตกแต่งรักษาเรามาตลอดปลอดภยัยได้ชีวิตจิตใจเติบใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน เพราะเหตุนั้นเราควรระลึ ก, กว่าเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้ด้วยความยากลำบากกว่าสัตว์อื่นๆถ้าเรา ล, ลึกให้ละเอียดต่อไปอีกเมื่อออกจากคันแล้วก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าเราระลึกตัวเราไม่ได้ก็ระลึกบุคคลผู้อื่น ที่เขากำลังเกิดเลึกถึงทุกของเราเมื่อเราอยู่ไม่ได้เราก็สามารถตรวจได้จากผุคคลผู้อื่นพ่อแม่เมื่อที่ให้กำเนิดก็รับภาระเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ใช่น้อยกว่าจะโลกแต่ละคนละคนตรงขึ้นมาทุกยากลำบากขนาดไหนเราก็เช่นเดียวกัน พ่อแม่ลำบากทุกยากอดทนเพื่อลูกทางนั้นลูกแต่ละคนละคนกว่าจะโตขึ้นมาไม่ใช่ง่ายชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราควรสร้างความดีใช้ชีวิตคือร่างกายของเรานี่ประกอบแต่ความดีเป็นผลกำไรชีวิตของเรา พระเกิดมาด้วยความยากลำบากอยู่ด้วยความดีที่ได้ต่อสู้ชนะสิ่งที่ไม่ดีซึ่งจะทำลายชีวิตชาตขันของเราให้อยู่ไม่ได้นานต่อสู้มาตลอดเวลามีภัยรอบด้านแต่ละคนละคนเราพ้นภัยมาได้ควรแสดงความดีใจปลื้มใจในที่จะน้อม เอาขันนั้นนี่ทาความดีชีวิตมีอยู่ถ้าเราอะไก็ตั้งใจปฏิบัติเหมือนกับเราทามาแล้วถ้าเราพยายามรลึกความดีขึ้นมาที่เราได้กระทำแล้วจะเกิดความสุขใจและสบายใจดีกว่าปล่อยจิตใจของเราให้จะลึกแต่เรื่องที่ไม่ดีที่มีอยู่ในโลกไม่ใช่สมบัติของเรา สิ่งที่ไม่ดีเพราะทุกคนไม่ต้องการแต่มันก็มีอยู่ในโลกจึงเป็นจะต้องได้เห็นได้ยินได้รู้ได้สัมผัสต่างๆเพราะมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ก่อนเราเกิดมาอีกเรื่องไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่ดีก็มีอยู่ในโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ศึกษา มันฝึกมันอบรมมันฟังเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังโดยความเคารพเพื่อใ ช, ใช้ปัญญานี่เครื่องรักษาชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์ความสุขทั้งปัจจุบัน และความสุขต่อไปเพราะเราต้องการความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ต้องการความสุขครึ่งครึ่งกลางกลางเล็กเล็กน้อยนยเราต้องการความสุขตลอดเนรันดอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาคุ้มครองดูแลตัวของเราคือสมบัติอันนี้ถ้าเราาดีแล้วย่อมนาความสุขมาให้ การรักษากายรักษาคําพูดเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราตรวจพิจารณาเอาแล้วภัยทั้งหลายเกิดขึ้นจากการกระทํานั่นเองภัยทั้งหลายเกิดขึ้นจากพูดโดยเราไม่ได้สํารวมระวังรักษาทั้งเราและทั้งบุคคลผู้อื่นแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นจากอื่นเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านีนทางนั้น เมื่อละากรองเห็นเช่นนี้แล้วเราก็ติ่นสงสัยในเรื่องการกระทำดีและกระทำไม่ดีเพราะประสบมาในตัวของเราเห็นแ จ, จ้งไปจากความดีที่ให้เกิดความสุขความเจริญที่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรงตรัสไว้ไม่มีผิด ไม่มีเพื่อนคาดแต่น้อยเป็นสั จ, จวาจาจริงๆเราควรปฏิบัติตามควรรักษาตามนี่ก็เป็นกิริยาวัตถุ ก, การรักษากายของเรารักษาวาจาคำพูดของเราให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลบุญอยู่ตรงนี้ความสุขอยู่ตรงนี้อย่ามองข้ามมาเป็นของเล็กน้อยไม่สำคัญ เราไม่เห็นว่าจะเกิดความสุขตรงไหนก็เราไม่เห็นเพราะจิตไม่สงบเพราะจิตไม่ได้ตรวจตรงองไม่กําจัดความโมมาความหลงในเรื่องอื่นไปอยู่แต่ในเรื่องอื่นสิ่งที่เรากระทาแล้วผ่านมาแล้วทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีก็เราก็ไม่รู้ว่าผลที่ได้รับปัจจุบันนั้นมาจากไหน เพราะเราตามไปไม่ถึงเร้สัมพันธ์กันไม่ได้เพราะเหตุนั้นจึงมีการภาวนาการภาวนาในสำคัญมากเราสามารถที่ใช้สติของเราดึงโยงผลปัจจุบันไปหาเหตุอดีตที่เรากระทำไว้แล้วให้ถึงกันให้รู้เห็นทั้งเหตุทั้งผลแจ้งประจักษ์ ว่าเราได้รับความสุขในปัจจุบันนี้เราได้ทำความดีไวแล้วเหมือนกับเราทำงานที่ได้เงินได้ทองในปัจจุบันนี้เพราะวิชาความรู้ที่เราได้ศึกษามาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กได้ฝึกได้อบรมมาแล้วได้ใช้วิชาความรู้ได้ประกอบความดีเรื่อยมาเราได้อยู่ได้ใช้ได้สอยในปัจจุบัน มีบ้านอยู่สะดวกสบายมีเครื่องใช้เครื่องสอยสะดวกสบายก็เพราะความดีทั้งนั้นที่ได้มา่ฉันได้เราทั้งหลายได้ความสุขความทุกข์สัมผัสในปัจจุบันที่เกิดขึ้นถ้าเรามีโอกาสได้ภาวนาแล้วเราก็จะได้ ตรวจตรองสดสองใช้สติรลึกความไม่สบายก็ดีหรือความสงบสบายก็ดีทบทวนระลึกยองถึงกันได้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้รู้ธรรมคือเหตุรู้จักวิบากคือผล mm hmm. ผลของกะของทรบ mm hmm. เรียกอาธรรมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักธรรมคือเหตุอัตถนินยูตาเป็นผู้รู้จักผลเพราะสติเราสามารถดลึกยังแน่วแน่เชื่อมถึงกันได้เราจ็รู้ชัดสิ้นสงสัยได้จากการภาวนาสร้างสติขึ้นมาเบื้องต้นก็ต้องให้จิตใจของเราในสติรู้ในปัจจุบัน เดียวนี้เรานั่งเดี๋ยวนี้กับกาหนดรู้เฉพาะเดี๋ยวนี้ก่อนไม่ส่งไปในอดีตไม่ส่งไปทางอนาคตเพราะอาดีตที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วหมดไปแล้วอนาคตข้างหน้าก็ยังไม่มาถึงที่เราไม่สบายก็เพราะในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละถ้าเดี๋ยวนี้สบายแล้วไม่มีปัญหาเลย สถาเดียวนี้ไม่สบายแล้วเราก็ต้องแก้ไขเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวนี้ในเรื่องปัจจุบันนี่พระองค์ทรงแสดงที่ถูกต้องและเป็นสัจจะเป็นของจริงที่ได้ผลมาแล้วเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธินี้ก็นั่งดู อ, อในปัจจุบันถ้าปัจจุบันเดี๋ยวนี้รักษาจิตใจของเรา ให้ปล่อยวางอย่างอื่นรวมความดีไว้อยู่ในใจเกิดความดีใจขึ้นมาแล้วก็รักษาสติและลึกรูปความดี น, นั่นนึกจากานึสติที่เราได้ทาบุญให้ทานก็ได้ที่เราได้สละถ้าเรารวบรวมแล้วนะไม่ใช่ น, น้อยสบัิที่เราทำบุญให้ทาน เก็บไว้ถ้าเราลึกมาให้เกิดความอบอุ่นจิตใจไม่น้อยและเกิดความสุขใจไม่น้อยแต่ตลอดถึงสิ่งอล่านั้นหมดไปแล้วก็ตามแต่สิ่งที่ปรากฏมาที่เราพ้นงานเฉพาะอย่างยิ่งดำรงทรงไว้ศาสนาอยู่ได้มานี่เป็นผลกําไรเมีวัดเมื่วาได้เพลิดเพลินปฏิบัติ เราได้จินได้ได้ฟังเ ส, เสมอเหมือนประเทศเครื่องส่องทางของเรา เ, ออเรามีตาของเราใสมีหูของเราสะอาดมีจิตใจของเร า, เราบริสุทธิ์สามารถจะส่องเห็นสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่สะอาดเราก็จะได้กำจัดสิ่งดีไปไม่ให้มีอยู่ใน ตัวของเราสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ความสุขเราก็สร้างขึ้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเรานี่เป็นสิ่งที่อำนวยผลประโยชน์ได้จากที่เราได้ช่วยเหลือรักษาไวา้และเลึกขึ้นมาแล้วก็มีความดีใจได้สุบใจส่วนหนึ่งเมื่อจิตใจดีแล้ว มีความสุขใจแล้วแล้วต้องการความสงบก็ง่ายในการทำสมาธิเพราะจิตจะสงบนี่ต้องใจดีเสียก่อนถ้าใจไม่ดีแล้วมันสงบไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีมันก่อัวนในหุ่นในวายในร้อยแปดเออมันปล่อยวางไม่ได้ยิ่งเราไปทำความผิดมาแล้วมันก่อขวนอยู่ตลอดเวลา เรื่องความไม่ดีมีปัญหาสร้างขึ้นมาแม้แต่หยุดทำแล้วก็ปัญหาทางจิตใจอีกไม่ให้ผ่องใสไม่ให้ได้ความสงบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นความจริงข้อนี้แล้วพระองค์จึงได้มีแม่ตาแนะนำสั่งสอนเราให้พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีมีคุณประโยชน์แก่เรา ทีนี้ถ้าเรารลึกถึงความดีอารมณ์ไหนก็ตามที่เป็นความดีที่ให้เกิดความสุขในจิตในใจของเราเราจะนำมาภาวนาก็ให้จิตใจก็เมื่อได้ความดีแล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านมันก็ไม่รำคาญเพราะเห็นความดี อยู่ในทีนี้ในปัจจุบันมันก็ชื่นชมอยู่ในความดีมันก็อยู่ได้นานเท่าไรก็ได้ทามันเห็นแล้วจิเอยดกระเยินละเอีย ด, ย เ, ยดเท่าไรก็ยินสงบยี่งมีความสุขความพ่องใสของจิตใจก็ยิ่งปรากฏขึ้นมาสามระดับเพราะฉะนั้นราควรแต่งจิตใจของเราให้ดีก่อนเมื่อจิตใจดีแล้วเราละลึก จันละเลิศพุทโธพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ดีอยู่แล้วตามประวัติพระองค์ก็มีอนุภาพพระองค์ก็เป็นสีพึ่งเมื่อเราละเลิกเกิดเราได้สีพึ่งทําให้จิตใจของเราดีได้ผใสได้สงบได้ง่ายเราก็นละเลิศขึ้นมาแล้วก็ทําความดีเหมือนกับจิตใจพระพุทธเจ้า พระองค์ปฏิบัติมาเรากษาในจิตนะลึกไปนะลึกไปเลอกไปไม่ต้องหาความสุขเพียงแต่พยายามระลึกต่อเนื่องกันให้มีความเพียรความพยายามในจิตระลึกในจิตตั้งมัน่นลึกไปลึกไปแม้จะลมหายใจควบคุมไม่เกิดความสบายไปด้วยทัางตัวของเรา ก่อนอื่นให้มีความสุขทางกายก่อนออการเจ็บการปวดเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามส้ำรวมไม่ให้จิตฟุ้งซ่า เ, ออเพราะความเจ็บปวดเล็กน้อยชั้วว่าเป็นมารออมารมีอยู่ห้าอย่างที่จะก่อกวนเราเรียกว่าขันธมารออคืออะไรคือรูปก็เป็นมาร เวทนาก็เป็นมานสัญญาก็เป็นมานสังขารก็เป็นมานวิญญาณก็เป็นมานที่เป็นมานเพราะอะไรเพราะรูปจะก่อกวนไม่ให้จิตใจของเราสงบเวทนาก็เวทนาที่ไม่ดีที่ทุกข์ให้เกิดความฟุ้งซ่านความรำคาญสัญญาก็เป็นเครื่องหลอกให้เราหลง สังขารก็ปรุงแต่งไม่ให้จิตใจของเราสงบก่อวรวิญญาณที่รู้มันก็ปรุงแต่งไปตามที่สิ่งที่รู้เป็นอดีตที่สัญญากเก็บไว้แล้วไปรู้นั่นรู้นี่รู้นี่สิ่งเหล่านี้จะเรียกเป็นมารเพราะว่าจิบทาจิตใจไม่ให้สงบ ที่เป็นธรรมที่เราสติเลือกขึ้นมาทําจิตใจของเราให้สงบได้เพราะฉะนั้นเราพยายามสำรวมแวดธนาที่มีอยู่ในกายถ้าจิตของเราละเอียดไปแล้วก็สงบมีความสุขได้ผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลใจเฉยไปก่อน มันเสนออะไรมาก็จะเฉยเวทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกายเนี่ยถ้ากายประสาทร่างกายมันสงบแล้วจิตใจก็เกิดปิติขึ้นมาได้วิเวกขึ้นมาได้สงบขึ้นม า, าที่กายไม่สงบเพราะกายวิญญาณที่สัมผัส ที่เราไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไไดนี่ไปตามระดับกันนี้เป็นสิ่งสำคัญการนั่งสมาธิถ้าใครมีอุบายสามารถที่จะสร้างสติให้เหนือเวทนาชนะเวทนาได้นั่นแหละที่จะเกิดความสงบเกิดความสุขได้สมาธิมันมันกลัว สติกลัวปัญญากลัวความเพียรที่เด็กกลัวขันติวิริยะปรมีอันนึ่มันกลัวอถ้ากำลังอันนี้มีมากแล้วพยามารสู้ไม่ได้ถ้ามีน้อยแบบมานก็ต้องชนะเราอยู่เสมอเพราะกำลังเรานี่ไม่พอขันติไม่พอวิริยะไม่พอสัจจะกำลังไม่พอไม่พร้อมเพรียงกันอธิษฐาน ตั้งมันในจิตในใจไม่พอเพราะฉะนั้นภาวนาทุกครั้งต้องมีปรมีต้องกำลังปรามีเราปรมีนี้สร้างได้ขันติเราก็สร้างไว้ทใ่ใจวิริยะความเพียรก็สร้างในใจสัจจะ ก, ก็ตั้งจริงใจทำสิ่งใดก็ทำจริงๆอยากจับแปลว่าทำเมื่อเราพร้อมด้วยปรมีแล้วรับรองว่าชนะมานแน่ ได้ความสงบได้ความสุ ข, สขเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วพยายามตั้งใจรวบรวมพลังมีของเราอยู่ในใจอันเดียวอยู่ในพุทธโทธพุทธโทธเดี๋ยวจะเลื่อนตัวเลื่กันไปทุกอย่างก็พร้อมอยู่ตรงนั่นจิตค่อยสงบค่อยสบายละเอียดไปตามลำดับต่อจากนี้ไปนั่งต่อสมควรเก็เวลาแล้วจึงจะ